ดูไม่ได้นะนี่ต่อไนยังไม่ซื้อมาน้นำตาลนะทำมามากแล้ ว, ลวเปิดประโยชน์อะไรในไม่เกิดประโยชน์ตัดออกเราทำเพื่อหาเหตุหาผลหาประโยชน์มันไม่ทำพาเนียนให้ดีขึ้น น, ะนอกจากทำให้อ่อนแอลงไปไอ้พุงเฟอเ้อเหื่อเขไปเรื่อยไปใหญ่เลย สังนั่นสั่งนี้ซื้อนั่นซื้อนี้ยุ่งไปหมดพระกรรมาฐานอะไรนี่ดมันขัดกันขัดกันเลยนี่ของมาเท่าไหร่ก็สละทานนั้นเป็นโลกให้โลกไปหมดเนะี่ยเราไม่ได้มาสนใจกับบาทกับสตางค์หนึ่งอนะ่ะตัวเราเองก็ไม่เคยเห็นชื่ออะไรมานี่มันล้นปากเลย มันเลอะเอเธอไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะผมยิ่งแก่ลงไปยิ่งไปยิ่งเอือ้อมละอากไปมากดูป้าดูเนยนะมันหมดกำลังที่จะลากจะเข็นกันแล้วนะเหนื่อยก็ทนเอา ทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งทาตขันธ์ของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงทาตทรงขันธ์อยู่แล้วอีกเกี่ยวกับใครใครก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบบภาระแต่และชิ้นละอันแต่และสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลา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 จะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ่มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจ อยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จํานวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จํานวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มาม า, มากต่อมากแล้ว การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่คุมาคุบาจาย์มั่นท่านมารันาภาพลงไปหมู่เพื่อนของมาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมารับาภาพไปก็ดูมัน38ปีนี้แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจกเกี่ยวข้อง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 เฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางทางด้านกิตตภาว น, นามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งหนั้นเพียงอาศัยชื่อระยะการยาได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นก า, การให้เสียทางด้านจิตติภาว น, นาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมา ซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่ส ะ, สะแสวงหาความสังัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของกิจเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากกิจโดยถ่ายเดียวนี่เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็หมหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนัก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 อบรมสั่งสอนงูเพื่อนเพือความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสารประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมเนี้วควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้น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 ไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเกียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเว ล, เวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุนเปล่า ว่าการนั้นสมัยนี้เวลานโนนอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ่นพวกเราซึ่งเคยต้มถุ่นมามากแล้วนานตัดแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้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 เชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทําของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะทอดถอนกิเลสออกไปโดยลําดับลําดาในอิริยปดหนึ่งหนึ่งไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี้เลยนะฟังสินี่แท่านว่าพละหคือเป็นกําลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กาลังของกิเลสที่จะสังหารเรา ถ้านำทำห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินานฟังสิสติสับัตปฏิยาสติเป็นธรรมที่จำต้องป ร, รารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆอันนี้นเรียกว่าสติสมาธิมีความความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุ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 ปัญญาน่นต่งสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกครานไปตั้งเอาล้มตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคา ข, าขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทําอะไรเยอะมักจะไม่คาดเคลื่อนและไม่คาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำห้าประการนี้ กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวล่าเวลาซึ่งไม่เคยให้มากให้ผลให้ความดีความชอบให้ความบุพเพนิยมจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทําความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใด อย่านําเข้ามาเป็นการทําลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทําลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นก้าสืกนอกจากกิเลสเป็นก้าสืบไปคว้าเอามาห้ามหันฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความบังต่อมรุญนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความบังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้งห้าศรัท ธ, ธาวิญญาสติสมาธิปัญญา หรือพลาห้านี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศิกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทําทั้งห้าประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าสึกยิ้งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในรวดลายของมันของหมันนิจตามไม่ทัน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 าศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำํำดับลาดาจนกระทั่งถึงถึงผลเป็นที่ผึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อน น, นรกอเวกีทั้งหลายทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอะธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมมาซะอีกนี้นเท่านั้น เป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดลากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมใช่อีกนั่นแหละเราจรึงไม่เห็นคําว่าสมาธิพระองค์ทรงทรงทรงมาแล้วปัญญาก็ดีดีมุดหรือพ้นก็ดีทรงมาแล้วญญด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรผลพานที่พระองค์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 ตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาให้ถูกกิเลส ต, ต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียนให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรค ม, มากรีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเอาพิจารณาสิ ความหวังนั้นจะสังเกตประโยชน์ก็เพราะความภาคเยน็นเราหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรและพระวาดคำทังสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างไดหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลย สอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมบังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธการท่านเป็นอย่างไรสสดร้อนร้อนกลังวานอยู่ในท่าเรียนในในแบบในตําลักตำลาก็กลังวานอยู่ในตําราที่เราจดจํามาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กลังวานอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจที่ค้านทอดถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอ น, นันให้ล้มเหลวไปเสียนี่นี่หละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่หละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเรา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 คนไม่มีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้าร้อยเปอรเซ็นตผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานํามาใชา้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามสเสด็จระผู้ที่กล้าให้ทันโดยหลักาศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรพันส่วนหรือมัก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 ขยับออกช่องในมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทํางานเสียก่อนเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกําลังกิเีลสทําแข็งมีกําลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียงปีนพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้งยี่สิบ ปียี่สกว่ามาแล้วจนกระทั่งบัตรนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหอเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เปล่งอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสบายแล้วเวลานี้เล่าผ่าน เรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งจเจอความผาสุขสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าลางคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นปืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุขเย็นใจพอให้นอนใจตาใจได้มีที่ตรงไหน เราผ่านมามากเพียงไรแล้วนั่มาคิดมาพิิจารณามาเทียบเคียมสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจอท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรือพระพุทธปฏิบัติโดยลําดับลําดา จนกระทั่งสํารอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหลนี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลําดับลําดาถึงปัญป ญ, ญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุข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 บรรลุธรรมหรตรัสรู้ธรรมแต่และองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ํำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนมาแล้วว่าเป็นมิมุตดหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุโทโธ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 ความความสูกจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาคือนั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เออเอาลละที่นี่ท่านว่าสุขข้างมาตะสุขข้างมาตะดังพระมหากบิน่นท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสจะรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกสเสด็จออกทรงผระหนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เป็นมากเป็นอุทานอย่างนั้นเสมอว่า สุขข้างวาตัตตะสุขข้างวาตัตตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนะ่ะจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรุ่นลาวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ไปวิภาควิจารณ์ท่านว่าพระมหากระดินนี้แต่ก่อนท่านเคยคลองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี้ได้รับความลําบากลําบนขวาขอทานกินอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดไปอย่างนั้นเสีย ถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระหมหากระเบนเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานว่าสุขังวาตาสุขังวาตานั้นมีความหมายอย่างไรมหมากระเนีน่ยฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระยิมยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุด อยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้ละละวางสิ่งนั้ น, รรนามาพืชปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบ้านประจากใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวัตะสุขขังวัตะว่าสุขเนอสุขเนาะนักในยาบททั้งสี่ยบทใดที่ ท่านจะมีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นเกิดซึ่งเกิดขึ้นจากบิดมุตดหลุดพ้นหรือวิมุตติกิจของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงบิมุตดหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมมาสุขบรมมาสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะ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 เขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในะการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงอยู่ยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัตตาบรรดานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาจะยมพร้อมเสมอที่จะเทาถวายที่จะใหอะอะ้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับสิทธืืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไร เป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแกนอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์พนา จ, จิตใจให้กีดกัน้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปาดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความจุกอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว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 เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการ น, นอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหลือเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัตินี่เยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดําเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรม ก็พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกําลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี่เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ไ ด, พ ด, ออไได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ ก็จําเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนหรือแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นพายในาจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยซึ่งโลกข้างหลังเขาก็อนอนได้จมได้คนมีกิเลส จ, จมกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่จะ ฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สินกกส้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี่ศรัทธาเรียรสติสมาธิปัญญาเอาเอาเข้าไปเถอะทำห้ประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสากวกก็ดีท่านนํำทำเหล่านี้แหละไปพังกิเลสให้แตก ก, กกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตตหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่าน เราได้กล่าวว่าจาถึงว่าพุทธทางธรังสนันนิชามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้งห้าปร ะ, ประเภทนี้เป็นสําคัญในวงความเพียรของพวกเราเห็นพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาเวลาการศึกษาลงพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากัน ประพฤติปฏิบัติกันแล้วเวลามาก็อย่ามากรีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสําคัญว่าตนดีถ้าความสําคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายใน จ, จิตใจนั้นแล้วแล้ว ม, มันจะกรีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการ กีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวางเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านําเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนท่าขี้เหลวใครว่ายังไงพิจารณานํามาพิจนารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัดเพื่อทำนั่นแล้วเชื่อผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านํามาเรื่องของคดีตัญหาอาสวะความคิดถี่มานะเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สตรีฉานก็มีไม่มีมันไม่กัดกันละ ใครตัวไหนก็ว่าตัวดีแต่ไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพายเปถ้าเป็นพระเปนเนก็ให้พระเอ็นกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมพระเอ็นกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีตือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกยานําเข้ามาใช้ในวง ผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านํามาต้องการอย่านํามาเทิดทุนในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าตัสสอนว่าอย่างไรให้นํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดมันลงไปคืนชีนวะกิเลส แ, แม้นิดนึงก็ตามเถิมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละ ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะเห็นกันอย่างชัดจเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือพันกิจใจเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานล้นล้วนนั่นแหละทีเนี่ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของกิจขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชจิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นที่เล็ด หมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทําให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจําเอาไปเอาคืดปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็ ม, มนหน่วยแสสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยอย่างไรไมาได้ปิดบังลีล้หลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนําไปเอาคืปฏิบัติอย่ามาเด้นเด่น<ๆ>ด้านด้า น, านจีดจีดขวางขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่เนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ th ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลงได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัดเห็นธรรมสิ่งทีวิเศษเลิศเลยอยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่ หมู่เพื่อนมากถ้านเนียมีมากเสียงเจอแจจอแจวันนเวลานี่นูน่นอยู่กุฏิน้อก็ได้ยินหูกับปากจค่ของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งไรหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทําอะไรไ ม, ไม่ไม่พูดไม่ได้เหรอสิ่งที่ควรพูดจําเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดนี่มีสติจะไม่เว้อวากวักยงเอตโลโคเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่น เดี๋ยวจะไปปักคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโยมจีวรปักคลองสารสำหรับรับขนบ้าทะบ้าก็มีคือหรือเราอยากไปหรือปักคลองสารนั่นเราถึงไม่มี ส, สติสตังยับยัง้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติหลูถ้ามีสติมันก็ว่าว่าว่าห้ า, านูน่นหูอยู่คนอื่นอยู่ใกล้ๆยังได้ยินหูจะของกับปากจะของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ก็ให้สังรวมระวังนะ เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักไมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันออกจะแตกกันนะสอนแทบล้มแทบตายข้าเพื่อความละเอียดละออนแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำอย่างไรการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึก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 ทุ ก, ก็ยอมทุกถึงเวลาจะทุกเพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมวยนั่งมวยบนเวทีไม่ได้คำหนึง่งถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชายชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชายชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้ ม, มานานเสนนานแล้วระยะนี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ยนะที่เราจะเอาชายชนะ จากการต่อสู้กับกิเลสเราจะบางคำหนึงถึงความลําบากลําบนนี้เป็นอันมับแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจํำมาไว้ครูบาอาจารย์องคไดที่ท่านดําเนินมาเป็นสนา ข, ของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่และองค์องค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลง พอเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเพ็ดเผ็ดร้อนๆอนที่ท่านนํามาใชา้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติกิจภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจนทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เลหลีวไหลเหมือนเรา เ, ราเราท่านท่ น, ท, นที่เป็นอยู่เวลานี้ยืดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี้ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลง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 พระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นเถ้าประเป็นไปได้นะนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้รมนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบันบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระรหัสตับกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับครอกๆอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับครอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเอ้า ถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกถมันออกกับหลับคลอกๆเลยตรัสรู้ทำในนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาซ่วมหาฐานแล้วท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สรบถึงสามครั้งเห็นไหมในตำหรับตําลาพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำหนับตาําราไปยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้า จากสู่แตกพระจักกูบาลไม่นอนสามเดือนจนถึงขนาดที่ว่าจากสู่แตกเอาแตกไปจากสู่นี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนิ่ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักกูบาลก็เป็นผู้ทรงทมอันเลิศภายในใจ แม้จากสุ่จะแตกแไปก็ตามนั่นต่างที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอเกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาพเพียง <โ liqu. S 1> แทบเป็นแทบตายจนเป็น h, เป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังเลพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงสแสดงว่าอ้ายนอนรับขอ้อครอกสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดรับข้อครอกต่างหากไม่ใช่ วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายเละไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวทั้งแต่หลับข้าคร่อกให้บรรลุทำยังไงในนั้นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเดส ดัดต้นดานเราตุกทรมานเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่ที่จะเอากับมันเอาฟัดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนะสุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นแท่นฆาตชามีของพวกเรามามีแต่ท่านดําเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเลวก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิบัติธาคิปปาพิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จํานวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั่นสิประเภทที่ควรถากถากควรปันคัน้นควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกแตกควรหกัหกหักควรเป็นเป็นควรตายตา ย, ตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราง่โง่ที่สุดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการ แก้กี่เลพระพระุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ยอย่างนั้นย่อมว่ า, างไงทุกขารปฏิปทาคิ ป, ปาพัญญารู้บ ป, ปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มีนยทุกขารปฏิปทาคือปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็คิด ป, ปาพัญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขารปฏิปทาท่านทาพัญญาปฏิบัตทิทั้งทั้งลําบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จําเป็นก็ต้องทํานิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้น จะไปแลกเปลี language, ่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทํายากลาบากเราก็ต้องทํางานของเรามันยากมันลําบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทํางานของเรายากก็ทําง่ายก็ทําเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทํานี่งานค่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากห้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะ ต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลายประจักษ์หัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิงกล่าวไว้ว่าปฏิปทาสี่อย่างคิดิปทาสี่อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิด ป, ปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งนยทุกขาปฏิบัติทาคิด ป, ปาพินยาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มทีทุกขาปฏิบัติทาทันทาพิญญาพิญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่เราปฏิบัทาสีอยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้า นิสัยที่ควรจะจะเอากันอย่างหนักเมื่อต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเดี่ยว่าเป็นนิสัยของแต่ละลายลายที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใงตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึงสี่ปฏิปทาเครื่องดาเนินไม่ใช่แบบเดียวกาันพากันจำเอาไว้จะเอาต้งแต่สุกกรหามสุกกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรม แล้วก็จะมีม า, มาพูดถว่าครั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลาบากลาบนทำไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสรบปสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตัวบ้างล่ะอย่างถ้าจากทุกบาลท่านตักสุขท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ก็ทําไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไให้กิเลสมันกล่อมเอาก่อมเอาอะไรอะไรก็มีแต่ลําบากลําบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรอต้องสอนอย่างนั้นย้ามกันอย่างนั้นสิกับกิเลส ไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอัลลังธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัตริรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัตริรู้โดยการปฏิบัติแนะนําสั่งสอนโลกยิ่งสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยาไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วตั้งเหตุตั้งผลนั่นเอง นี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบัณหาเ น, นี่ยขนาดไหนและทําเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นําธรรมะภูริเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกําลังเองลงมือทํางานเองเอาหนักเบาเราก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลาหาความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกซะก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกต้องทุกทุกมากทุกน้อย เรื่องความสุขหักมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขนั่นประกาศต่างวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียวที่ข้านอ่อนแอหนะักพากันจำเอานี่เค่ก็เหนื่อยแล้วยังมาถึงไหน เทไปเทไปมันก็เหน่อยนะก็ฉันจะหยุดอย่อยงแค่นี้แหละอาละพอเป็นเหนื่อยก็หน่อยก็แล้ว